การที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันเรียกว่าเป็นการมาสร้างสาระสร้างที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งที่จะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ประสบกับความทุกข์ต่างๆที่พึ่งที่เรารู้จัก คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักนี้ยังเป็นที่พึ่งภายนอกอยู่เช่นพระพุทธเจ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักจากประวัติของพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกบ้าง จากครูบาอาจารย์ต่างๆบ้างพระอริยสงสาวกก็คือครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเราได้ไปกราบไหว้ได้ไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี้ยังไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่แท้จริงที่จะดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจเราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้ด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้เองจะเป็นวิธีที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่เรารู้จักภายนอกเข้าสู่ภายในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยาที่รักษาโรคของร่างกายนี้ได้จะต้องเข้าไปในร่างกายก่อนถึงจะสามารถทำหน้าที่ รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้หายหมดไปได้ถ้าเราไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้และยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคต่างๆรักษาร่างกายของพวกเราให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากราบไหว้บูชากันนี้ก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเป็นยาที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่ใจของพวกเราเราต้องนำยาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เข้าไปสู่ใจของพวกเราให้ได้เพราะถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้ว พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปกป้องรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องรับประทานยากันการรับประทานยาของใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการศึกษาการศึกษานี้ก็คือการอ่านฉลากของยานั่นเอง เวลาที่เรารับยามาจากหมอหรือเราซื้อยามาจากร้านขายยามักจะมีฉลากติดมาด้วยจะบอกวิธีการรับประทานว่าต้องรับประทานครั้งละกี่เม็ดวันละกี่เวลาหรือจะถ้าเป็นยาชนิดที่ต้องทาก็ต้องใช้ทาห้ามรับประทานเป็นต้นเราต้องศึกษาวิธีรับประทานยาก่อน อัในใดการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการศึกษาวิธีที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ภายในใจของพวกเรานั่นเองการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสาคัญเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่รู้จักวิธีรับประทานยาหรือรับประทานยาแบบไม่ถูกต้องก็ได้และผลก็อาจจะไม่ได้ดังที่เราต้องการ เหมือนกับการรับประทานยาผิดประเภทก็ดีหรือไม่ถูกตามปริมาณที่ควรจะรับประทานก็ดีก็อาจจะกลายเป็นโทษขึ้นมาได้เช่นรับประทานยามากเกินเกินปริมาณที่ควรจะรับประทานแทนที่จะไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะไปทําลายชีวิตของร่างกายได้ดังนั้น ก่อนที่เราจะรับประทานยาเราจึงต้องดูฉลากยาก่อนหรือถามแพทย์ที่จ่ายยาให้กับเราว่าให้เรารับประทานอย่างไรเมื่อเรารู้จักวิธีรับประทานที่ถูกต้องแล้วแล้วเรานำไปรับประทานเราก็จะได้มียาที่จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆไปรักษาโรคภัยที่มีอยู่ในร่างกายของเรา ให้หายได้ฉะนันใดเราก็ต้องศึกษาวิธีการที่เราจะนําเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ใจของพวกเราอย่างถูกต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราต้องศึกษาก็คือศึกษาวิธีการดำเนินวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาวิธีดําเนินวิธีการปฏิบัติของพระอริยสงฆส์ทั้งหลายว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อเรารู้เราจะได้เอาวิธีการปฏิบัติของท่านมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ศึกษาคำสอนของท่านว่าท่านให้เราปฏิบัติอย่างไรนี่ก็คือพระธรรมคำสอน ศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระอริยสงฆ์สาวกประวัติศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการที่เราจะเขานำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเรานั้นดําเนินการอย่างไรการปฏิบัตินั้นก็เป็นเหมือนกับการศึกษาเหมือนกับทางโลกศึกษาของทางโลก การศึกษาทางโลกก็มีจุดเริ่มต้นและมีจุดหมายปลายทางจุดหมายจุดเริ่มต้นก็คือการเข้าสู่โรงเรียนชั้นอนุมาอนุบาลแล้วก็ขยับขึ้นสู่ชั้นปถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาชั้นตริญญาตรีโทเอกอันใดชั้นใดาการ การสร้างสราระที่พึ่งทางใจก็เป็นแบบนั้นก็ต้องสร้างจากชั้นปชั้นอนุบาลแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นปฐมขึ้นสู่ชั้นมัธยมและขึ้นสู่ชั้นอุดมอุดมศึกษาตามลำดับไปชั้นอนุบาลหรือชั้นปฐมของการสร้างสราระที่พึ่งทางใจ ก็คือขั้นของคารวาดผู้คองเรือนคารวาดผู้ครองเรือนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ทาทานอย่างสม่าเสมอและให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่คือการนำเอาสาระที่พึ่งทางใจเข้าสู่ใจในขั้นต้น ต้องเริ่มที่การทำบุญให้ทํทบุญทาทานอย่างสม่าเสมอและการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่คือธรรมของผู้ครองเรือนคือให้เป็นนักบุญไปเป็นผู้นักสวงบุญหาบุญกันไปก่อนหาบุญที่เกิดจากการทําทานแบ่งปันเสียสลระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มี เกินความจำเป็นไม่ย่องเก็บเอาไว้ก็ไม่เดือดร้อนตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้เอาส่วนที่ไม่จำเป็นส่วนที่เกินนี้มาทำบุญทำทานแล้วก็มารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เศสศสารยาเมาและอบายามุกต่างๆอันนี้เป็นการนำเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจในขั้นต้นแล้วในวันพระก็ให้ถือศีลแปดกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นการการปฏิบัติขั้นที่สูงต่อไปคือ ขั้นของนักบวชในพระพุทธศาสนานี้เรามีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นของนักบุญและขั้นของนักบวชเริ่มต้นเราเป็นคาราวาเราทุกคนเกิดมาเราเป็นเกิดเป็นคาราวาผู้ครองเรือนเราไม่ได้เกิดเป็นนักบวชเลยเราก็จะอยู่แบบคาราวาทำมาหากินหาเงินหาทอง เพื่อใช้เงินทองนี้ซื้อความสุขต่างๆแต่ความสุขที่เราซื้อด้วยเงินทองนี้ท่านว่าเป็นความสุขรลอมเราควรที่จะขยับจากการหาความสุขรลอมไปสู่การหาความสุขจริงการจะหาความสุขจริงได้ก็ต้องขยับขึ้นไปสู่ระดับของนักบวชเพราะ นักบวชนี้จะไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆจะใช้ทำรรที่พระพุทธเจ้าได้สงค้นพบสร้างความสุขภายในใจเพื่อจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปดังนั้นในตอนที่เรายังเป็นคารวะผู้ครองเรือนอยู่เราก็ควรที่จะซ้อมการเป็นนักบวชอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่ง ครังเช่นในวันพระนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้ไปอยู่วัดกันให้ไปถือศีลอุโบสถถือศีลแปดแล้วก็ให้ละเว้นจากการหาความสุขแบบผู้ครองเรือนแล้วก็ให้มาหาความสุขแบบนักบวชกันโดยการละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอนร่วมกัน ละเว้นจากการรับประทานอาหารเกินมากเกินไปละเว้นจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารรตที่สวยงามแต่งหน้าทาปากใช้น้ำมันใช้น้ำหอมเสริมความงามด้วยการแต่งเผ่าแต่งผม อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่นอนไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะหลับนอนเพียงเพื่อพักผ่อนร่างกายด้วยการนอนบนพื้นแข็งๆจะได้ไม่นอนนานถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนเติรนขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าที่นอนมันเป็นที่นอนที่ สบายนอนแล้วสบายก็เลยไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่อไปอกีกหลายชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาที่จะเอามาใช้กับการสร้างความสุขทางใจคือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบนี่คือการฝึกเป็นนักบวชในขณะที่ยังเป็นค า, ารวาสอยู่ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันธรรมสวรรควันพระเช่นวันขึ้นแปดข้าแรมแปดข้าหรือขึ้นสิบห้าข้มแรมสิบห้าข้าในสมัยพุทธกาลในสมัยโบราณของไทยเราเราก็ใช้ปฏิทินทางจันทละคติวันหยุดทำงานของพวกเราก็จะหยุดตรงกับวันพระวันโกนเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างเข้าไป วัดไปศึกษาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติพระธรรมคาสอนไปฝึกเป็นนักบวชกันหนึ่งวันเพื่อต่อไปเราจะได้ขยับขึ้นสู่การเป็นนักบวชเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปถึงและพระอาลหลนตัสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกัน ท่านเหล่านี้ท่านก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าเองก็เป็นนักบุญมาก่อนเป็นคารวะผู้คองเรือนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ขยับขึ้นไปเป็นนักบวชพอเป็นนักบวชท่านก็สามารถสร้างสารนะสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ปรากฏขึ้นมาในพระไถยของพระองค์ จึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นองค์แรกด้วยการปฏิบัติธรรมของนักบวชคือการทำใจให้สงบและการเจริญปัญญาให้เห็นสัจธรรมความจริงของว่าของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเห็นสัจธรรมความจริงในการดับความทุกข์ว่าดับความทุกข์ได้ด้วยอย่างไร ได้ด้วยอะไรท่านจึงเป็นพระพุทธท่านจึงมีพระพุทธอยู่ภายในใจแล้วก็มีพระธรรมที่ทรงตัดสั้ทรงเห็นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นท่านก็นำเอาพระธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างสราระสร้างที่พึ่งทางใจพอเขาได้ยินได้ฟัง ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถสร้างธรรมะนี้ให้เกิดขึ้นภายในใจของเขาได้ทําให้เขาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้ด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัรู้และนํามาเผยแผ่สั่งสอนนั่นเองนี่คือ ขั้นตอนของการบำเพ็ญของการเข้าสู่ของการนำสาระที่พึ่งภายนอกให้เข้าสู่ภายในใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่ดับความทุกข์ใจได้ที่พึ่งภายนอกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยยังไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้พวกเรายัางต้องเจอกับความทุกข์ จากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้กันอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเรานั่นเองเราจึงต้องมาศึกษามาปฏิบัติกันพอมาศึกษาเราก็รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเช่นตอนนี้เราก็มาดูตัวเราว่าตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอยู่ขั้นไหนกันถ้าเรายังอยู่ขั้น แสวงบุญทำบุญทำทานรักษาศีลห้าอยู่เราก็รู้ว่าเราจะต้องขยับขึ้นสู่การเป็นนักบวชต่อไปเพราะการเป็นนักบุญนี้ยังไม่พอยังไม่มีกำลังพอที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปสู่ภายในใจของพวกเราได้แต่เป็นการเตรียมพื้นฐาน ของการนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ภายในใจของเราถ้าเราไม่ทาบุญทาทานเลยเราไม่รักษาศีลห้าเลยนี้เราจะไม่มีวันที่จะมาเตรียมตัวทำตัวเราให้เป็นนักบวชได้เพราะแม้แต่เป็นนักบุญเรายังทำไม่ได้เรานักภาษาอะไรกับการมาเป็นนักบวชที่เป็นการกระทาที่ยากกว่าการเป็นนักบุญอีกหลายเท่า ดังนั้นถ้าเรายังไม่เป็นนักบุญเรายังไม่แข็งคัดต่อการทําบุญให้ทานยังไม่แข็งคัดต่อการรักษาศีลห้าเราก็ต้องฝึกตัวเราเองทำตัวเราเองให้เป็นนักบุญให้เป็นนักบุญอย่างสมบูรณ์แบบให้ได้คือมัอนทำทานอยู่เป็นกิจวัตรประจาทาได้เมื่อไหร่ทาทันทีมีเมื่อไหร่พอที่จะทําได้ มีโอกาสที่จะทำก็ทำทันทีแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้จะควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาไม่ให้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ปฏิวิตแนมะ้จะเป็ น, ปนสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นมดมแมลงหรื อ, อยุงจะไม่ฆ่าเขา รับแม้แต่เงินบาทสองบาทก็จะไม่เอาไม่แตะต้องของใครสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องด้วยวาจาก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเสมอถ้าพูดจริงไม่ได้ก็หุบ ป, ปากไว้เฉยเฉยไม่พูดแต่จะไม่อ้างว่าพูดเพื่อให้เขาพูดปลดเพื่อให้เขาสบายใจ มันก็ยังเป็นการพูดปดอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นพูดแล้วทําให้เขาสบายใจก็ตามและหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุขเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวดูของแลเล่นต่างๆการเที่ยวกลางคืนการครบคนไม่ดีเป็นมิตรและความเกลียดคร้านเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะฉุดลก ให้ไปสู่การกระทำบาปต่อไปนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่นักบุญควรจะกระทำกันอย่างสม่ำเสมอแล้วพอทำได้แล้วก็จะมีกำลังที่จะลองมาทำหน้าที่ของนักบวญอย่างน้อยก็เริ่มต้นที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในวันพระในสมัยนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกเพราะเรา วันหยุดการทำงานของพวกเรานี้ไม่ได้ตรงกับวันพระเสมอไปถ้าจะมารักษาศีลแปดในวันที่ไปทำงานทำการก็อาจจะรักษาได้ยากเช่นการรับประทานอาหารหลังจากไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทำไม่ได้เพราะเวลาทำงานนี้จะหยุดรับประทานอาหารกันก็ตอนเที่ยงวัน แต่ถ้าถือศีลแปดตามเวลาที่กำหนดไว้จริงๆก็จะทำไม่ได้ยกเว้นว่าเราปรับเวลาหน่อยเลื่อนไปสักชั่วโมงหนึ่งด้วยความจําเป็นไม่ใช่เลื่อนไปด้วยความอยากให้กินช้าหน่อยเพราะกลัวจะหิวตอนเย็นก็เลยเลื่อนมันไปสักหน่อยสักชั่วโมงถ้าอย่างนี้ไม่ควรทำแต่ถ้าทาเพราะว่าเป็นเหตุจำเป็นถูกบังคับ ต้องทำงานถึงเที่ยงก่อนถึงจะพักกินข้าวได้อันนี้ถ้าเราเลื่อนไปหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าทางที่ดีเรามารักษาศีลแปดในวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการจะดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องมีเวลาไว้ในการเาจเริญสติจเจริญสมาธิเพื่อสร้างความสงบให้กับใจ ถ้าเรารักษาศีลแปลในวันทำงานเราก็ยังไม่สามารถที่จะมาเจริญจิตตภาวนาได้อยู่ดีเพราะเราจะต้องไปทำงานทาการต้องใช้ความคิดต่างๆการเจริญสจิตตภาวนานี้ก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆนั่นเองการจะหยุดความคิดต่างๆได้ก็ต้องไม่มีภารกิจการงานต่างๆมาบังคับให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดังนั้นจึงต้องอามาเป็นนักบวชกันในวันหยุดการทำงานต้องไม่มีงานทำจะได้มีเวลามาจเจริญสติมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันดังนั้นวันพระในสมัยปัจจุบันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปจากวันขึ้นแลมมาเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ วันที่เราไม่ต้องทํางานทําการกันออันนี้ก็ต้องปรับไปตามเหตุการณ์วันเวลานี้ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเป็นวันพระหรือวันไม่ใช่เป็นวันพระวันพระความหมายของวันพระก็คือวันที่เราไม่ต้องทํางานทําการเราจะได้มาทําหน้าที่ของนักบวชกันเอ นี่คือเรื่องของวันพระในสมัยปัจจุบันความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานทางโลกแล้วมาทำงานทางธรรมนั่นเองมาเปลี่ยนจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชกันหนึ่งวันถ้าเป็นนักบวชแล้วเราก็จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่ส่งตาหูจมูกลิ้นกายเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสผธพระชนิดต่าง เราก็เลยต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมายั่วยวนกวนใจเพราะถ้าเราไปอยู่ใกล้สถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะเช่นอยู่ที่บ้านที่บ้านนี้เราจะมีรูปเสียงกลิ่นรสในหลายรูปแบบในทางจอโทรทัศน์ในหนังสือหนังหาอะไรต่างๆของทางโลก แล้วก็อาหารการกินขนมนมเนยเครื่องเครื่องเมอะไรต่างๆนี้จะมีเต็มหมดอยู่ภายในบ้านถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะรู้สึกอึดอัดลำบากใจเพราะเวลาได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สัมผัสก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วอาจจะทำให้เราไม่สามารถหักห้ามจิตใจไม่สามารถควบคุมใจของเราได้ เราก็จะต้องมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกันก็จะทําให้การเจริญสติการจะทําใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากเพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะเป็นนิวรณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบนั่นเองเราจึงมักต้องไปอยู่ตามวัดกันเพราะว่าตามวัดนี้จะไม่มีของเหล่านี้ ถ้ามีก็จะมีกำจัดไว้ในบริเวณเช่นที่โรงครัวหรือที่ศาลาฉันในตอนฉันเทนั่นเองแต่พอหลังจากฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วของพวกของต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดเก็บไว้หมดเราไปที่พักของเราเน้นก็จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยรบกวนใจมาคอยยั่วเยวนกวนใจเรา เราก็จะได้สามารถเจริญสติควบคุมใจให้ตั้งมั่นให้อยู่ในความสงบได้ดังนั้นในวันที่เร า, าฝังเป็นนักบวชเราก็ต้องไปอยู่กับนักบวชนักบวชก็คือพระที่อยู่ในวัดต่างๆนี้เองไปอยู่กับท่านไปศึกษาวิธีอยู่แบบนักบวชไปหาความสุขแบบนักบวชกันถ้าเราได้ไปแล้วเราได้ไปสัมผัส และได้ผลจากการปฏิบัตินเราก็จะเกิดความรู้สึกที่มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราเคยได้รับจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เป็นการนําพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็ต้องเป็นนักบวชกันะ ส่วนใหญ่ 99% นี้เป็นนักบวชกันทั้งนั้นหลังจากที่ได้เป็นขาวรวาดคองเรือนอยู่พักหนึ่งแล้วเราเห็นว่าการคองเรือนนี้เป็นชีวิตที่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆมีแต่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขก็เลยปรารถนาที่อยากจะหนีจากความวุ่นวายเหล่านี้เพื่อไปหาสถานที่สงบเพื่อจะได้สร้างความสงบให้แก่ใจ ท่านก็ไปบวชกันตอนนี้เราก็มาซ้อมบวชกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วพอเราสัมผัสกับความสงบที่เราได้รับแล้วเห็นว่ามีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเป็นผู้ครองเรือนเราก็อาจจะเพิ่มวันที่เป็นนักบวชเพิ่มให้มากขึ้นจากอาทิตย์ละหนึ่งวันก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละสามวัน เพิ่มไปตามกำลังของเราการที่เราจะเพิ่มได้เราก็ต้องตัดภารกิจทางของคารวาสลงไปคือการทำงานทำการหาเงินหาทองและเอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆการที่เราจะตัดได้ก็ต้องตัดรายจ่ายคือเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อความสุขต่างๆนั้นถ้าเราไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ เราก็ไม่ต้องหาเงินทองมากเกินไปหาเท่าที่จำเป็นหาเพื่อซื้อสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอเรามีพอเพียงแล้วเราก็หยุดหาเงินหาทองได้เราก็จะได้มีเวลามาทำตัวให้เป็นนักบวชเพิ่มวันมากขึ้นไป พอเราเห็นว่าทำแล้วมีคุณมีประโยชน์มากกว่าการเป็นนักบุญเป็นคารวาสผู้คลองเรือนเราก็อาจจะตัดสินใจเป็นนักบวชเต็มรูปแบบต่อไปเลยก็ได้ดีก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็แปลงตนเองจากการเป็นคารวาสผู้ครองเรือนไปสู่การเป็นวันพระชิตเป็นนักบวช ผู้แสวงหาความสุขจากการทําใจให้สงบผู้ที่หาความสุขจากการดับกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจจะดับกิเลสตัณหาจะสร้างความสุขที่สมบูรณ์ที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายได้ก็ต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ มีเวลาที่จะน้อมนําเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจให้ได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ทําไปพอเราได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างธรรมขึ้นมาเราต้องการเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า จากพระอริยสงสารโลกนี้ให้เข้ามาสู่ในใจของเราให้ได้ทำที่เราต้องการก็คือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนี้เองเพราะถ้าเราสร้างสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นมาในใจได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเชโรและธรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้า ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็คือพระอริยสัจสี่เพราะในพระอริยสัจสีนี้เราจะเห็นทั้งส่วนที่เป็นส่วนของความทุกข์และส่วนที่เป็นส่วนของการดับของความทุกข์ทั้งหลายอยู่ในพระอริยสัจสี่นี้เป็นสองคู่คู่ที่สร้างความทุกข์และคู่ที่ดับความทุกข์คู่ที่สร้างความทุกข์ก็คือทุกข์กับสมุทัย เป็นอริยสัจข้อ1ข้อ2ทุกใจเกิดจากความอยากต่างๆและความดับของความทุกข์เกิดจากมรรคเนี่เป็นข้อที่สและข้อที่4ถ้าเราได้ศึกษาได้เจริญสติได้สมาธิเราก็จะได้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจและถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณา เราก็จะสามารถละตันหาความอยากที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราให้ดับไปได้หมดได้พอเราได้อารยสัจทั้งสี่ข้อเราก็จะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ ถึงแม้จะไม่เคยไปประเทศอินเดียถึงแม่ว่าจะไม่เคยพบปะกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ถ้าเราได้พบกับพระอริยสัจสี่ภายในใจของเราที่ตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนบอกว่าพระองค์ได้ทรงพบเราก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าต้องมีจริงอย่างแน่นอนเพราะท่านได้พบพระอริยสัจสี่เหมือนกับที่เราได้พบในขณะนี้ และพระอริยาาสัจสี่นี้เองที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ตอนนี้เราก็หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นยังอาจจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้แต่เราก็รู้ว่าต่อไปถ้าเราปฏิบัติจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอน อันนี้เราก็จะมีความมั่นใจเราจะมีสลาณะแล้วเรารู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายนี้เกิดจากความอยากต่างๆภายในใจของเราและการที่จะดับความทุกข์ต่างๆละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็ต้องละด้วยปัญญาปัญญาก็คือมรคมรที่จะเป็นผู้ไปละความอยากต่างๆ พอละความอยากต่างๆได้นิโรธคือการดับของความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานการดับความทุกข์นี้ไม่ต้องไปดับภายนอกเพราะทุกข์มันเกิดภายในดับภายในแต่ตอนนี้พวกเรามักจะไปดับความทุกข์ที่ภายนอกกันเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไปแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เราทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็จะไปแก้ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้แก้ที่คนนั้นคนนี้ซึ่งพอแก้เราก็จะดับความทุกข์ไปได้แต่มันเป็นการดับชั่วคราวเพราะเราไปแก้ที่ปลายเหตุเดี๋ยวเราก็ต้องทุกข์กับเรื่องใหม่กับคนใหม่กับสิ่งใหม่อีกเพราะว่าต้นเหตุยังอยู่ต้นเหตุก็คือความอยากให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปตามความอยากของเราแต่ถ้าเรามาแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่ความอยากเราจะไม่อยากให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เร con, ื่องนั้นเรื่องนี้เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ต่อไปไม่ว่าเราจะไปพบกับใครพบกับเรื่องใดพบกับสิ่งใด เรื่องราวเหล่านั้นสิ่งคนนั้นคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาทำให้เราทุกข์ใจได้อีกต่อไปเพราะเรามาแก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้ที่ความอยากของเราคือปล่อยวางเพราะเราจะใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องให้เป็นไปตามความอยากของเราได้ ถ้าไปทําก็จะเหนื่อยไปเปล่าๆแล้วก็จะไม่ท ำ, ทำไม่สำเร็จนะเพราะคนในโลกนี้ก็มีเป็นล้านสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็มีเป็นล้านเรื่องราวต่างๆก็มีเป็นล้านเราก็จะต้องไปแก้อยู่เรื่อยๆแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันสิ้นสุดนะอย่างที่มีคำพูดว่างานทางโลกนี้ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบนะแต่งานทางธรรมนี้มีวันจบนะ งานทางทําก็คืองานระงับตันหาความอยากต่างๆกาจัดให้มันหมดไปจากใจเท่านั้นเองพอมันหมดไปจากใจแล้วมันก็จะไม่มีงานอะไรให้ต้องทำอีกเพราะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความลำคาญใจให้แก่เรานั่นเองการที่เรายังต้องทำงานต่างๆอยู่ก็เพราะว่ามันยังมีความลำคาญอยู่ในใจและเราคิดว่าการกำจัดความทุกข์ความลำคาญใจของเราก็อยู่ที่การ ทำงานต่างๆสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาหรือแก้สิ่งต่างๆไปแแก้ไปเท่าไหร่ทาไปเท่าไหร่สร้างไปเท่าไหร่ความรำคาญใจความทุกข์ใจก็ยังไม่มีวันจะหมดไปเหมือนหลวงตาบอกว่าเป็นหมาที่เลื้อนแต่เกาไม่ถูกที่ไอ้ที่คันไม่เกาไปเกาที่ไม่คันมันก็เลยไม่หายคันสักทีใจของเรามันคันด้วยความอยาก แต่เราไปแก้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แก้ไปจนวันตายมันก็ยังคันอยู่นั่นแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกเรื่องในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นขึ้นลงล ง, ลงมีดีมีชั่วมีอะไรต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเป็นเหมือนเดิมไปได้ตลอดเวลามีขึ้นมีลงมีดีมีเสียมีถูกมีผิดมีอะไรมีเจริญมีเสือ่อมถ้าเราจะต้องบอกว่าทุกอย่างจะต้องดีต้องเจริญต้องถูกมันก็จะทำให้เราวุ่นวายใจไปเพราะมันจะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเรา ถ้าเราต้องการจกำจัดความวุ่นวายใจความลำคาญใจเราต้องมากำจัดที่ความอยากของเราด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราอย่าไปเปลี่ยนเขาเลยเรามาเปลี่ยนใจของเราดีกว่ามายอมทำยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องเจอกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อ ย, เ ร, อยเราก็เลือก ได้อันไหนเราเลือกได้เราก็เลือกอันไหนเราเลือกไม่ได้ก็ต้องทำใจถ้าต้องอยู่กับมันก็ we go, ต้องอยู่กับมันไปหรือถ้าต้องจากมันไปก็ต้องจากมันไปแต่ถ้าเรามีป sort of ัญญาแล้วเราจะไม่มีความอยากที่จะจากเขาหรือไม่จากเขาพอเราไม่มีความอยากที่จะจากหรือไม่จากเวลาเขาจากหรือไม่จากก็จะไม่เป็นปัญหากับใจของเรานี่แหละคือการมีสาระมีที่พึ่งตางใจ ก็คือมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ต่างๆนี้เกิดจากความอยากของเราและเวธีแก้ความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราก็เกิดจากการสร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาก็คือการเห็นใจรักในสภาวะธรรมทั้งปวงนั่นเองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาดายที่เราอยากแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นเราก็จะท่องทุกข์กับเรื่องเหล่านั้นและวิธีที่จะแก้ความทุกข์ไม่ได้ไปแก้ที่เรื่องเหล่านั้นแต่มาแก้ที่ความอยากของเราเพราะเราจะได้แก้ที่ต้นเหตุและจะแก้แล้วแก้ได้อย่างถาวร ถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่เรื่องราวเหล่ trigger, านั้นเราก็อาจจะแก้ได้เป็นครั้งเป็นคราวไปแล้เราก็จะต้องไปเจอเรื่องใหม่ที่เราจะต้องไปแก้อยู่ใหม่อีกต่อไปแต่ถ้าเราแก้ที่ความอยากแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปแก้ที่เรื่องต่างๆเพราะเรื่องต่างๆจะไม่เป็น ป, ปัญหากับเราจะไม่สร้างความลำคาญใจให้กับเราเพราะตัวที่สร้างความลำคาญใจให้กับเราอย่างที่แท้จริงนันก็คือความอยากของเรานั่นเอง เราได้แก้ตรงนั้นแล้วเราก็จะไม่ต้องมีการแก้อะไรอีกต่อไปนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าในการแก้ความทุกข์ความลาคาญใจต่างๆท่านแก้ที่ใจของพระองค์เองด้วยการตัดสัลุพระอริยสัจสี่ทรงรู้ว่าทุกเกิดจากสมุทัยและการดับของความทุกข์นั้นเกิดจากมรรคท่านจึงนําเอามาสั่งสอนพวกเรา ให้เรามาเจริญมรรคกันมาสร้างมรรคกันเพราะถ้าเราสร้างมรรคแล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมกันเราจะเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากแล้วเราก็จะเห็นวิธีดับความทุกข์ละความอยากด้วยการเจริญปัญญาการจะเกินเจริญปัญญาได้ก็ต้องเริ่มต้นที่การเจริญสติก่อนเจริญสติทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะเห็น ความสงบกับความไม่สงบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรและเราก็จะเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจของเราไม่สงบและเราจะเห็นว่าอะไรที่จะทําให้ใจของเราสงบเราก็จ ะ, จะเจริญทำที่ทําให้ใจของเราสงบก็คือการพิจารณาใจรักษอยู่เรื่อยๆนั่นเองพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเราไม่สงบเพราะความรักความ ความรักคนนั้นคนนี้เราก็ต้องพิจารณาอาสุภะในคนนั้นคนนี้หรือว่าถ้าใจเราไม่สงบกับเรื่องอาหารการกินขนมนมเนยต่างๆเครื่องดื่มต่างๆเราก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารที่มาเข้ามาในร่างกายแล้วของเราแล้วมันกลายเป็นอะไรไปกลายเป็นอุจจาระกลายเป็นปัสสาวะไป ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะสามารถระงับความฟุ้งร้านความวุ่นวายใจได้เวลาที่เกิดความวุ่นวายใจกับความอยากการในคนนั้นคนนี้หรือในอาหารหรือในเครื่องดื่มต่างๆนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัตสโ้ได้ส่งค้นพบคือมรคให้เจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะเห็นว่าทุกเกิดจากอะไร เราจะเห็นว่าอะไรที่จะทำให้ความทุกข์นั่นหยุดไปก็คือการเห็นตายลักษณ์การเห็นอสุภะการเห็นปฏิกูลของอาหารของเครื่องดื่มต่างๆนี่เองถ้าเราเห็นตายลักษณ์เห็นอสุภะเห็นความเป็นปฏิกูลของเครื่องดืม่มของอาหารแล้วเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราจะไม่วุ่นวายใจไปกับเรื่องของร่างกายของเราเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตายลักนั่นเองเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเห็นว่ามันในที่สุดมันก็กลายเป็นดินน้ำนมฝ่ายไปเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี้เองส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคําสั่งของผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถอยู่ภายใต้คําสั่งของผู้รู้ผู้คิดได้เสมอไปผู้รู้ผู้คิดสั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงต้องปล่อยมันไปถ้าปล่อยมันไปละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายก็จะไม่มีนี่คือเรื่องของตายรักทั้งนั้นที่พวกเราจะต้องเจริญกันอยากจะเจริญได้นี้ก็จะต้องมีสมาธิก่อนมีใจที่สงบก่อนเพราะใจที่สงบนี้จะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญก็จะมีเวลาที่จะมาพิจารณาตายรักในสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆเราจะต้องพิจารณาให้เห็นเขาว่าเป็นตายรักษเห็นเขาเป็นอสุภะเห็นเขาเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งสกโปกเพราะว่าของต่างๆที่เราเอาเข้าสู่ร่างกายเราในที่สุดมันก็กลายเป็นปฏิกูลไปหมดกลายเป็นปัสสวะกลายเป็นอุจจาระไป ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะระ ง, งับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปที่ไม่มีความทุกข์ก็เพราะว่าเรามีสรณะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มเต็มที่สมบูรณ์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีทรงมีธรรมคุ้มครองใจตลอดเวลา ทำที่จะปกป้องจิตใจรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติให้เกิดทำขั้นต่างๆขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่ทำของขั้นระดับของผู้ครองเรือนของคาว่าผู้ครองเรือนคือการทําทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็การฝึกการเป็นนักบวชในวันหยุดทํางานพอได้ฝึก แล้วก็จะมีกําลังที่จะฝึกทาเป็นนักบวชให้มีเพิ่มมากขึ้นได้จากวันหนึ่งก็จะเป็นสองวันสามวันต่อไปก็จะทำได้ทุกวันแล้วต่อไปก็จะสามารถเปลี่ยนจากการเป็นผู้คงเรือนเข้ามาสู่การเป็นผู้เป็นนักบวชได้เมื่อเป็นนักบวชแล้วก็จะมีเวลาที่จะได้เจริญธรรม นำธรรมที่ของนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนพวกเรานี้ให้เข้ามาสู่ใจของพวกเราเพราะจะได้ใช้ธรรมนี้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ต่างๆและความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปนี่คือเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับการไปเรียนหนังสือ เริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลพอจบชั้นอนุบาลก็ขึ้นสู่ชั้นปถมจบชั้นปถมก็ขยับขึ้นสู่ชั้นมัธยมจากชั้นมัธยมก็ขยับขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษาจากปริญญาตรีก็ขึ้นสู่ปริญญาโทจากปริญญาโทก็ไปสู่ปริญญาเอกเช่นเดียวกับการปฏิบัตินาสร้างสาระขึ้นมาภายในใจก็เริ่มจากการทำทานรักษาศีลห้า แล้วก็ทดลองรักษาสินแปในวันพระในวันหยุดทำงานนอกจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากการเป็นนักบุญเป็นผู้ของเรือนไปเป็นนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสร้างสร้างอย่างสมบูรณ์แบบได้เมื่อทางสร้างทมได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็จะรับปัญหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ เมื่อไม่มีตัณหาความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ต่อไปเมื่อไม่มีตัณหาความอยากก็จะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และจากการเวียนว่ายตายเกิดที่มีความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ทุกภพทุกชาติจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างความเพียรในการศึกษาในการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย แล้วน้อมนำเอาธรรมที่เราได้ยินได้ศึกษาไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พยายามเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนสามารถปฏิบัติได้เต็มรูปแบบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันถ้าเราได้ไปสู่ขั้นของการปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกแล้ว รับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่เราได้รับกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตประจกพินิพิพจารณาเพื่อความสุขความเจริญและความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะรโสยะามณิโชติราโสยะาสพีติโยวิวัจจันตุสะพารโควินัสสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวะธานติ อายุวโนสุขังภาลางสาธุช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหา พูดใกล้ๆจะได้เสียงดังๆ เ, เชิญได้กล่าวนับราการเจ้าค่ะจากการปฏิบัติธรรมก็ได้รับคำสั่งสอนมาว่าให้เรานึกถึงความตายอยู่ทุกเมื่อทุกลมหายใจเมื่อเรานึกถึงความตายอยู่ทุกเมื่อแล้วนะเจ้าค่ะและหากเกิดเราต้องสิ้นลมหายใจไปเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรเจ้าค่ะถึงจะได้ไปในที่สงบเจ้าค่ะก็วางจิตให้อยู่ในความสงบ ให้สักแต่ว่ารู้ดูว่าร่างกายกำลังจะตายก็ดูไปเหมือ น, เ ป, นเป็นเหมือนแพทย์อย่าไปดูด้วยอารมณ์รักอารมณ์กลัวเพราะจะทำให้เกิดทำให้จิตไม่สงบจะทำให้จิตทุกข์แล้วจะไปไปไม่ดีถ้าดูด้วยใจที่ปล่อยวางสักแต่ว่ารู้แต่จะปล่อยวางได้ก็ต้องมีปัญญามีสมาธิ เข้าใจว่าใจร่างกายเป็นธรรมดาที่เขาต้องมีการสิ้นสุดลงไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นเหมือนแพทย์ส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้เราก็รักษาคนไข้ไปตามกำลังพอสุดวิสัยคนไข้ก็จะต้องตายก็ปล่อยเขาตายไปอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัต จเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถึงจะมีกําลังที่จะทําใจให้สงบได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้พอเราไปเห็นความตายหรือคิดว่าเราจะตายนี้ใจจะตื่นตระหนกขึ้นมาจะควบคุมไม่ได้เลยเราจึงต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมตายไว้ก่อนโดยการระลึกถึงความตายเป็นขั้นต้น พอเรารู้ว่าเราจะต้องตายขั้นที่สองเราก็ต้องไปฝึกตายกันไปอยู่แบบคนตายไปอยู่ที่เสี่ยงสิ่งต่อความเป็นความตายอย่างพระนี่ไปอยู่ในป่าไปอยู่ใกล้สิงสาราสัตว์ต่างๆหรือไปอยู่ตามป่าช้าที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวเพื่อจะได้ทำให้เกิดความกลัวเกิดความรู้สึกว่าใกล้ความตายจริงๆ แล้วจะได้ใช้ธรรมที่พยายามสร้างกันขึ้นมาคือสมาธิและปัญญานี้มาควบคุมใจเวลาที่ใจคิดว่าจะตายคิดว่าร่างกายจะตายแล้วใจเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาถ้ามีสมาธิมีปัญญากำลังพอก็จะสามารถควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะกระทำกันก่อนที่ไปเจอความตายอย่างจริงจงเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเวลาตายนี้จะทำใจให้สงบไม่ได้นั้นก็ต้องพยายามฝึกซ้อมไว้ก่อนสักขั้นตอนก็ให้ลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้รู้ว่านี่คือข้อสอบของเรา ความตายคือข้อสอบของเราการที่เราจะทำข้อสอบได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราหมั่นทำการบ้านหรือไม่ถ้าเราหมั่นทำการบ้านอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราต้องทำข้อสอบเราก็จะทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายเองั้นเมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปซ้อมตายกันไปอยู่แบบคนตายแบบนักบวชนี่เาอยู่เหมือนอยู่แบบคนตายเพราะคนตายนี่ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้น ผู้ที่มาบวชนี่เขาก็ไม่ต้องการอะไรจากใครตรงนั้นเขาไม่ต้องการความสุขจากภรรยาจากสามีจากรูปเสียงกลิ่นรสจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากลาบยศสรรเสริญเขาอยู่แบบคนตายอยู่ถ้าเขาอยู่แบบคนตายได้เวลาตายเขาก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่แบบคนเป็นคนที่จะต้องมีลาบยศสรรเสริญมีสามีมีภรรยา มีสิ่งต่างๆมาคอยให้ความสุขกับเราพอเราจะต้องจากสิ่งเหล่า น, นั้นไปเราก็จะวุว่นวายใจขึ้นมานี่คือเหตุผลที่คนเราต้องไปบวชกันเพื่อที่จะได้ซ้อมอยู่แบบคนตายอยู่แบบไม่ต้องพึ่งอะไรพอไม่ต้องพึ่งอะไรแวลต้องจากสิ่งต่างๆไปก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าต้องพึ่งสิ่งต่างๆแล้วต้องจากสิ่งต่างๆไปจะเดือดร้อนมาก ไม่เชื่อลองไปอยู่วัดสักสาวันเจ็ดวันดูไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งเครื่องสำอางไม่ต้องพึ่งเครื่องทําผมทําเผาอะไรต่างๆออยู่แบบร่างกายกินอย่างเดียวกินกับนอนสองอย่างนั้นที่พึ่งนอกนั้นแล้วไม่พึ่งอะไรนอกจากพึ่งธรรมะพอเวลาไปอยู่แบบนั้นใจมันจะเด่นจะดูซิว่าจะอยู่ได้หรือไม่มันเหมือนกับขาดอะ ขาดนมหายใจเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพให้สัมผัสนี้มันรู้สึกหงุดหงิดนำคาญใจเศร้าซ้อยงอยเหงาวา้าเวแต่ถ้าเราชนะความรู้สึกเหล่านั้นได้ด้วยการใช้ธรรมะของพุทธเจ้าคือสติสมาธิและปัญญาเราก็จะสามารถลังล ง, งับดับอารมณ์วา้าวุ่นขุนโมต่างๆที่เกิดจากความอยากที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆได้ เมื่อเราเรางัดมันได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีอะไรมาเป็นที่พึ่งอีกต่อไปเพราะเรามีที่พึ่งที่แท้จริงคือธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพวกเรานี่คือสาเหตุที่ทำไมคนเราถึงต้องไปปฏิบัติไปบวชกันเพื่อละสิ่งต่างๆที่เราเอาศัยเป็นที่พึ่งเพระไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราต้องจากเขาไป ตอนนั้นเราจะไม่มีที่พึ่งเราจึงต้องสร้างที่พึ่งที่เราสามารถเอาไปกับเราได้ที่พึ่งที่เอาไปกับเราได้ก็คือที่พึ่งทางในภ า, ภายในใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือธรรมที่เราได้จากการปฏิบัตินี่แหละคือที่พึ่งของพวกเราคือสติสมาธิและปัญญาพอจะเข้าใจไหมฟังดูเหมือนจะเข้าใจหรือน่าจะทาได้ แต่ก็คงจะยากก็เจ้าค่ะนี่หากเราไม่ได้เป็นนักบวชแลวเราอยากจะทำให้เรามีจิตสงบนะเจ้าค่ะ เ, เราเ ป, นนเป็นนักบวชชั่วคราววันพระก็แทนที่จะไปเที่ยวตามสัดสูวการค้าตามแหล่งบันเทิงต่างๆก็อยู่บ้านหรือไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปฝึกทำวันละนิดวันครั้งละนิดครั้งะหน่อยก่อน พอเราได้สัมผัสกับผลที่ได้รับจากการไปปฏิบัติเราก็จะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเหมือนไปเชลชวนชิมก่อนอเขาชวนให้ไปชิมร้านนี้ก็ลองไปชิมดูพอกินแล้วอร่อยต่อไปก็จะกลับไปร้านนี้บ่อยเคยฝึกปฏิบัติแล้วค่ะกับคุณแม่ศรีกรินชัยเจ็ดคืนแปดวันอยู่สาสี่ครั้งนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่า มีความประทับใจนี่เราก็กําหนดอริยาบทย่อยของเราเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิอยากจะเรียนถามมาเจ้าค่ะว่าถึงขั้นไหนเจ้าค่ะถึงจะทําให้จิตใจเราสงบได้หากเราเกิดเจ็บปวดขึ้นมาเราควรจะกําหนดดูที่สิ่งเจ็บปวดตรงนั้นหรือควรจะกําหนดรู้ตรงลมหายใจเจ้าค่ะถึงจะถูกต้องถ้าอยู่ในขั้นฝึกสติก็ควรจะอยู่ที่ลมหายใจ อ, อยู่ในสิ่งที่เราใช้ยึดเหนีย่ยว จิตใจไว้อย่าไปอยู่กับสิ่งที่เจ็บปวดเพราะใจของเราจะพอไปรับไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่เจ็บปวดเราจะเกิดความอยากให้มันหายแล้วพอเกิดความอยากมันจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดของร่างกายแต่เพราะความทุกข์ทรมานของใจที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปในเราต้องพยายามอย่าให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไป วิธีหนึ่งก็คืออย่าไปสนใจกับความเจ็บแล้วให้สนใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจหรือถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคาบริกรรมไปพอเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บความเจ็บมันก็จะไม่รุนแรงแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้นี่เป็นขั้นต้นขั้นสติแต่ถ้าเราต้องการที่จะผ่านมันอย่างถาวรคือไม่กลัวมันเลยเราก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้เห็นว่าความเจ็บ มันไม่เป็นมันไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวก็คือความอยากให้มันหายเจ็บเราก็มาแก้ความอยากนี้โดยการยอมรับว่าร่างกายนี้มันยังไงก็หนีมันไม่พ้นเรื่องความเจ็บมันเป็นเงาตามตัวงั้นอย่าไปกลัวมันมันไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือความกลัวมันความอยากจะให้มันหายความอยากที่ไม่เจอมันพอเราเห็นโทษของความอยากของเราเราก็หยุดมันเสีย แล้วก็หัดเจอมันอยู่บ่อยๆหัดนั่งให้มันเจ็บอยู่บ่อยๆต่อไปมันก็ชินกับมันแล้วมันก็จะไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บเจค่ะนี่ก็เป็นความรู้ที่ใหม่เจ้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นเอเน่องนึกว่าตะใบเพ่งที่เจ็บบางคนบอกว่าให้ดูเพ่งเลยจะเห็นว่าความเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป ถ้าโปรโมเพอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เลยจนรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดับสักทีใช่ไหมเจ้าพระเพราะเมื่อไหร่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอยากให้มันหยับอยากให้มันดับนะถ้าเพ่งเฉยเฉยก็ได้ถ้าเพ่งแล้วแบบมึงจะอยู่ก็อยู่ไปไม่ว่าอะไรอยู่นานๆนะถ้าถ้าจะเพ่งนั่งคิดอย่างนั้นเธออยากเธออยากจากลงไปนะฉันชอบเธออย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็จะอยู่กับเขาได้ออืใช่ไหมแต่กลัวพอไปเพ่งเขาแล้วอยากจะให้เขาหายหปเมื่อไหร่จะไปสักทีอย่างเงี้ย พอคิดอย่างนี้มันก็ทุกขุนวายใจขึ้นมาได้ถ้าจะเพ่งมันก็ได้แต่ต้องเพ่งแบบชอบมันฉันชอบเธอนะเธออยู่กับฉันนานๆ น, นะเธออย่ากพึ่งไปนะถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขามันฝึกใจให้สงบโดยไม่ทุกข์โดยไม่อยากไม่ยุ่งกับเข า, าเขาจะอยู่ก็อยู่เขาอยากจะไปก็ไป อ, <ๆ S 2> ไอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าอย่างนั้นเราจะไม่วุ่นวายไปกับเขา แต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปคิดถึงเขาเพราะคิดถึงเขาทีไรแล้วอยากให้เขาหายก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงเขาอย่าไปดูเขาเหมือนคนที่เราไม่ชอบอย่าไปดูเขาอย่าไปคิดถึงเขาใ ช, ใช่ไหมพอคิดถึงเขาแล้วใจเราวุ่นวายขึ้นมาทันทีเราไปคิดถึงคนที่เราชอบดีกว่าแล้วใจเราจะได้สบายพระอาจารย์เคยสอนเช่นว่า ถ้ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นโกรธหรืออะไรเช่นนี้ให้พุทโธพุทโธตัดเลยใช่ไหมเ<ล>จ้าคะ ค, คือไม่ได้ไปตัดมันอย่าไปสนใจมันไงออลืมมันเสียพอลืมมันแล้วความโกรธก็จะหายไปเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไปคิดถึงคนหรือสิ่งที่ทําให้เราโกรธยิ่งคิดมันก็ยิ่งโกรธใหญ่พอเราไปคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็ไปคิดถึงคนนั้นหรือสิ่งนั้นไม่ได้มันก็หายโกรธไปเจ้าค่ะแต่นี่มันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราว คาวหน้าพอเจอเขาก็โกรธอีกถ้าอยากจะโกรธอย่างเท้ามันก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเจอเขาก็อย่าไปอยากอย่าไปเปลี่ยนเขายอมรับความจริงของเขาแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันแต่ถ้าต้องเจอก็เจ อ, เจอแต่ถ้าไม่เจอได้ก็ดี <c oughs> กรณีว่าตัดด้วยพุโทโธนี่ได้ผลจริงๆเลยนะเจ้าค่ะใช่เพราะเราไม่ไปคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธมันก็หายโกรธได้มันก็เดินหนีไปชั่วคราวแต่พอกลับมาเจอกันใหม่ก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้อขอเรียนถามอีกข้อหนึ่งเจ้าคะ่ะที่บอกว่าถ้าเผื่อเราเห็นเขาในสภาพของความเป็นอนัตตาเจ้าคะ่ะคือบอกไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนไม่ใช่ ร่างกายทุกคนอะไรเป็นดินน้ำลมไฟอันนี้อะไรเหรเจ้าคะก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นไงร่างกายของเรานี่ก็ประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่มาทางอาหาร่ยอาหารนี่ก็มีดินใช่ไหมข้าวนี่ก็มาจากดินน้าก็คือน้าที่เราดื่มหรืออาหารที่เป็นน้ําส่วนที่เป็นน้ําลมก็คือลมหายใจไฟก็คือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์และความร้อนที่เราได้จากการ ทำงานของอาหารเวลาเรากินเข้าไปอาหารก็จะมีปฏิกิริยาทางเคมีก็จะทำให้มีความร้อนขึ้นมาในร่างกายมันไม่มีตัวไม่มีตัวมันเป็นการผสมกันขึ้นมาแล้วก็มาแปลงเป็นอาการต่างๆเป็นผมเป็นขนเป็นเเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกจะดูแบบนั้นก็ได้หรือจะดูว่าเขาเป็นอย่างนี้ลเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ เขาเป็นมีนิสัยแบบนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะต้องเปลี่ยนนิสัยเขาเองเราบอกเขาได้ว่านิสัยไม่ดีควรจะเปลี่ยนนะแต่เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนให้เราไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองบางทีเขารู้แต่เขาก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ว่าเขาไม่มีกำลังพอแต่เปลี่ยนได้แต่ต้องเกิดจากตัวเขาเอง นั้นถ้าเราไปอยากไปเปลี่ยนเขาเราก็จะทุกข์วุ่นวายใจไปเพราะเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนั้นเราก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของเขาไปเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเรารับได้เราก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาเราเจอเขา การที่เราเจอคนที่พระอาจารย์พูดว่าไม่ถูกใจเราเจ้าค่ะนั่นแสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องบุพกรรมใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะก็สูตรแท้แต่มันมีส่วนใหญ่ก็เป็นบุพกรรมคือเราะติดเป็นนิ ส, สัยมาแต่ดั้งเดิมเคยโกหกก็ชอบโกหกไปเรื่อยๆ เ, เคยลักขโมยก็ชอบลักขโมยไปเรื่อยๆเคยมีชู้ก็ชอบมีชู้ไปเรื่อยๆของนี้มันเป็นนิ ส, สัยติดมาแม้จะเป็นลูกของเราก็ตามเถิดเขาไม่ได้เอานิ ส, สัยจากเรา เขาเพียงเอาแต่ร่างกายจากเราไปแต่นิสัยต่างๆมันมาติดมากับใจของเขาแต่เราสามารถสอนเขาได้บอกเขาได้ถ้าตอนเด็กๆเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะเป็นเด็กนี่ว่านอนสอนง่ายแต่พอโตแล้วนี่เขาอาจจะไม่ทำตามที่เราสอนก็ได้เขาต้องแก้ตัวที่ตัวเขาเองไม่จะ่นนั้นก็ทุกคนก็เป็นพาาระอรหันต์ไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้เป็น แต่มันเป็นไม่ได้เพราะโระอาายบอกให้เลิกอยากแต่เราก็ยังอยากกันอยู่เราต้องมดแต่เราต้องมาแก้ที่ตัวเราด้วยตัวเราเองให้รู้โทษรู้คุณแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะเลิกทำการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ตอนต้นเราต้องศึกษาก่อนว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชื่ออะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็เลิกทำในสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่ต้องสู้กับมันเพราะว่ามันอะไรที่เป็นนิสัยแล้วนี่มันต้องใช้ความพยายามต้องใช้ต้องฝืนมากๆถึงจะทาได้เช่นโยมถนัดใช้มือซ้ายมือซ้ายหรื อ, ม, อมือขวานี่ ถ้าต้องมาเปลี่ยนเป็นใช้อีกมือหนึ่งนี่จะรู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่เคยใช้มันมาก่อนแต่ควจริงมือซ้ายมือขวานี่มันใช้ได้เหมือนกันนะคนที่เขาถนัดซ้ายเขาก็ใช้ซ้ายได้อย่างสบายคนที่ถนัดขวาเขาก็ใช้ขวาได้อย่างสบายแต่จะเาคนที่ถนัดขวามาใช้ซ้ายไม่ถนัดแนละ้วเพราะไม่เคยท่านเองแต่ก็สามารถฝึกได้สมมุติว่าถ้ามือขวาเสียไปก็ต้องใช้มือซ้ายใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็ชํานาญเอง คนที่ไม่มีไม่มีมือยังใช้เท้าได้เลยก็ยมีจิตกรที่ใช้เท้าวาดภาพสวยยิ่งกว่าคนใช้ใช้มือวาดสิก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมนะั่นฉะนั้นเราสามารถฝึกฝนอบรมใจของเราได้ให้เปลี่ยนนิ ส, สัยของเราได้นิ ส, สัยที่ไม่ดีเราเปลี่ยนให้มันเป็นนิ ส, สัยที่ดีได้เช่นชอบดื่มสุราย า, าวเมาก็เลิกได้ชอบเที่ยวเตะก็เลิกได้ขี้เกียจก็เลิกได้แต่ต้องบังคับต้องฝืน ถ้าจะปล่อยให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่เป็นนะพระอาจารย์ขาถ้าเผื่อเรามองเห็นเขาว่าไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลเราข่าวแล้วเนี่ยเจ้าค่ะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขามีจิตเราก็มีจิตตรงเราที่มีปัญหากับเขาก็าคือจิตต่อจิตมันก็กำลังขัดแย้งกันนะใช่ไหมเจ้าขาใช่มันไม่ใช่ที่ร่างกายไม่จําเป็นจะต้องไปทุบตีที่ร่างกายเขาต้อง ต้องใช้เหตุใช้ผลแก้กันเท่านั้นที่เรื่องของจิตเรื่องไปทุบตีเขานี่ไม่ได้ไปไปแก้ปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ที่จิตของเขาอนั่างกายเป็นเพียงคนรับใช้คําสั่งของจิตอีกทีหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเวลารถยนต์ไปขับรถชนคนตายนี่เขาจับรถยนต์ไปขังคุก ข, ขังตารางหรืป่ า, าไปลงโทษหรือเปล่าใช่ไหมเขาขับคนขับไปขังคุก ข, ขังตารางเอันใดจิตนั่นแหละเป็นผู้รับผลของบาปกรรมที่เขาทําไว้เอ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาตายไปไม่ได้ไปไหนร่างกายไม่ได้ไปไหนแต่ใจนี่แหละที่จะไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกอะไรเนี่ยก็ไปที่ใจเป็นผู้ไปหรือไปรับผลบุญไปสวรรค์ไปนิพพานก็ใจเป็นผู้ไปก็เหมือนอย่างที่หลวงตามหาบวัวพูดไปบ่อยว่า ใจเป็นของประเสริฐที่สุดใช่ถ้าทำใจให้ดีแล้วไม่มีอะ ด, ดีเท่าจค่ะกลบขวบว่าคุณเดี๋ยวช่วยส่งไปทางนี้เดี๋ยวจะมีคำถามทางบ้านถามคำถามฝากถามค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีผู้บรรลุธรรมได้เร็วหลังจากที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแสดงว่าเขามีสติแก่กล้า สามารถสั่งให้หยุดคิดได้และเข้าสมาธิได้ตามที่ต้องการถูกหรือไม่คะก็มีหลายอย่างมีทั้งสติมีทั้งสมาธิแล้วมีความสามารถที่จะพิจารณาค่อยควรตามหลักของเหตุผลได้ถ้ามีสติมีสมาธิแต่พิจารณาทางเหตุผลไม่ได้ก็ยังอาจจะไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่าปัญญานี้มันเป็นเรื่องของเหตุของผลต้องรู้ว่า เหตุอย่างนี้จึงทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาเช่นความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆได้เห็นปัถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องไปหยุดความอยากอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่เห็นก็ยังอย่างเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่ครั้งแรกมีคนฟังอยู่ห้าคนแต่มีคนบรรลุเพียงคนเดียวอัญญาณนธัญนิปัญญามากเข้าใจหลักเหตุผลที่พรเจ้าทรงแสดงได้ราอีกรูปยังไม่เข้าใจ ยังต้องใช้เวลาไปขอคิดก่อนขอเวลาสักหน่อยบอกคิดสักพักเออใช่ใช่นะพุทธเจ้าสอนยึดถูกต้องเลยพอเข้าใจปั๊บก็บรรลุได้คำถามต่อมาค่ะจะทำอย่างไรจึงจะเลิกยึดติดครูบาอาจารย์เลิกยึดในกิริยาขันของท่านแล้วยึดติดในธรรมะของท่านแทนจะต้องมีสติสมาธิปัญญาในระดับไหนคะ ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมนะี่ยพอท่านเรามีพระพุทธก็ธรรมพระสงฆ์มิครูบาจารย์อยู่ในใจเราแล้วเราก็ไม่ต้องยึดติดกับตัวของอาจารย์อีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องยึดติดตัวอาจารย์เพราะว่าท่านเป็นผู้แสดงธรรมให้กับเราแต่พอเราเดาสามารถนําเอาธรรมที่ท่านแสดงมาเข้าไว้ในใจเราได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องไม่ยึดติดกับท่านได้เราไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับมีท่านอยู่กับเราตลอดเวลา แต่ถ้าเรายังไม่มีธรรมนั้นอยู่ในใจเราก็ต้องอาศัยธรรมของท่านก่อนถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็ต้องอาศัยหนังสือหรือเสียงที่อ่านไว้ในซีดีเป็นเป็นเป็นตัวแทนของท่านต่อไปแต่อย่าไปรูปกับอย่าไปยึดกับรูปร่างหน้าตาของท่านเฉยๆอันนั้นไม่ใช่ตัวท่านไม่ได้เปิดไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ยังยึดติดในรูปเท่านั้นเวลาเห็นรูปของท่านได้ยินเสียงท่านพูดก็มีความสุข แต่นั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่จะไปดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราได้เราต้องยึดกับธรรมะที่ท่านแสดงพยายามเอาธรรมที่ท่านสอนนี่มาปฏิบัติเราสร้างให้เกิดขึ้นมาภายในใจพอมันอยู่ภายในใจแล้วจะสามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ถ้าเราดับได้เราก็ไม่ต้องมีอยู่ใกล้ท่านก็ได้เพราะเราอยู่ใกล้ท่านแล้วด้วยธรรมของท่านที่มีอยู่ในใจของเรา แต่เราไม่ต้องอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้คิดร่างกายของท่านเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้เธอจะเกาะชายผ้าเหลืองของเราอยู่ใกล้ตัวเราแต่ถ้าเธอไม่มีธรรมที่เราแสดงอยู่ในใจเธอก็อยู่ห่างจากเราเป็นโยชถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ห่างจากห่างกายจากเราเป็นโย่แต่ถ้าเธอมีธรรมที่เราแสดงอยู่ในใจของเธอเธอก็มีเธอก็อยู่ใกล้เราะความใกล้ความไกลไม่ได้อยู่ที่ใกล้ที่ใกล้ด้วยร่างกาย แต่ใกล้ด้วยธรรมที่ท่านแสดงให้เรานั้นน่คำถามฝากถามจากสาราด้านหลังค่ะคำว่าคำภาษาอังกฤษว่า No เบิลทรูธหมายถึงอะไรคะก็หมายถึงคำว่า Noble ก็คืออริยะผู้สงสง Truth ก็คือสัจจะก็แปลตรงตัวว่า Noble Truth ก็คืออริยสัจคำถามจากผู้เมนประสงค์ออกนาม ทุกวันนี้หนูปฏิบัติโดยการพยายามอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการเฝ้าดกูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนใหญ่จะเผลอไปกับความคิดหนูก็ดึงกลับมาที่พุโทโธหรือพอรู้พอเห็นความคิดบางครั้งมันก็หยุดได้เหมือนแตะเบรกแต่ส่วนใหญ่ก็ไหลไปกับมันบางครั้งก็มีอารมณ์กับเรื่องที่คิด แต่พอเริ่มจะมีอารมณ์ไปกับความคิดปรุงแต่งหนูก็ใช้พุโทโธบ้างหรือบางทีพุโทโธหยุดไม่ได้หนูก็พยายามคิดลงไตรลักษณ์แล้วก็กลับมาพุโทโธต่อพอมีเวลาว่างก็จะเดินจงกรมซึ่งเดินมากกว่านั่งเพราะหนูนั่งนานหนูนั่งได้ครั้งละไม่เกินชั่วโมงแม้จะพยายามฝืนแต่ก็ฝืนลาบาก หนูก็คิดว่ากําลังสติหนูยังคงไม่พอก็พยายามตั้งสติเจริญสติให้มากๆแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูทำมากๆเข้าสติดีๆก็คงนั่งแล้วจิตรวมเองหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมคะคิดถูกแล้วล่ะกให้คิดว่าการสร้างธรรมสร้างสตินี้เป็นเหมือนกา ร, การปลูกต้นไม้มันไม่เจริญเติบโ ต, ตแบบ พ, วพรวดพลาดเนี่ยมันต้องใช้เวลา แต่ถ้าเราพยายามลดน้าต้ น, ต น, ตนไม้ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆจเจริญเติบโตบไปเรื่อยๆแต่เราจะมองไม่เห็นความแตกต่างถ้าเรามองมันทุกวันแต่ถ้าตอนั้นสักสิบวันหรือเดือนหนึ่งกลับมามองมันสักครั้งเราจะเห็นความแตกต่างฉันใดรรทําต่างๆที่เราจเจริญนี้เราถ้าอยากจะเห็นความแตกต่างเราต้องย้อนกลับไปสัก6เดือนหรือปีหนึ่งจากจุดที่เราเริ่มต้นมาถึงจุดปัจจุบันนี้รับเปรียบเทียบดู เราก็จะเห็นว่าออมันมีความแตกต่างสติเรามีมากขึ้นปัญญามีมากขึ้นความสงบมีมากขึ้นแต่ถ้าเราคิดอยู่ในปัจจุบันเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเพราะว่ามันเราจะเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้เมื่อสองวันก่อนมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ยิ่งอย่าไปกังวลกับมันขอให้เราพยายามทาไปเรื่อยๆเหมือนกับการลดน้าต้นไม้ก็ลดมันไปเรื่อย อยาให้มันตายก็แล้วกันรับรองได้ว่าเดี๋ยวมันต้องโตแน่ๆถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดไม่ยอมถอยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นไปอย่างแน่นอนเหมือนเราเลี้ยงลูกใช่ไหมเลี้ยงลูกเราก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูเมื่อไหร่มันจะโตทักทีเราก็ให้นมมันกินให้น้ำมันกินให้ยามันไปเลี้ยงมันไปทุกวันทุกวันเผอแผบเดียวกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนะ อันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพลเพ่เดียวก็เป็นอริยะเจ้ากันไปไละคำถามจากผู้ฝากถามต่อไปค่ะขออุบายวางใจค่ะขณะที่ฟังสนทนาธรรมบางครั้งจะมีคนถามแทรกในขณะที่หลวงพ่อกำลังอธิบายกำลังขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่เมื่อมีการถามแทรก หรือในลักษณะชวนหลวงพ่อคุยทําให้คนที่กําลังตั้งใจฟังประเด็นที่หลวงพ่อกําลังอธิบายรู้สึกขาดตอนขาดช่วงตรงนั้นไปแล้วบางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้กลับมาอธิบายในส่วนนั้นต่อก็จะสอนหรืออธิบายในส่วนที่เขาถามแทรกคันหนูจะถามในส่วนนั้นบ้างก็เกรงจะเป็นการถามแทรกซึ่งเป็นการกระทําที่หนูไม่ชอบอยู่แล้วเหตุการณ์นี้ ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆหนูจะทำอย่างไรดีครัะก็ทำใจไงว่ามันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้อก็ไม่เป็นไรอย่าไปยึดบั้นถือมั่นมากจนเกินไปอก็มีโอกาสก็ถามใหม่ก็ได้อเพราะว่าบางทีคุยกันก็อย่างนี้แหละพอคุยกันคนนั้นก็มีความคิดขึ้นมาก็อยากจะพูดเสริมประเด็นขึ้นมาพอไปพูดทางประเด็นที่เขาเสริมมันก็เลยลืมประเด็นที่เราพูดอยู่ ถ้าอยากจะให้กลับมาก็ถามกับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายอะไระมีเหลือเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเหรองั้นก็เอาเอาสักสองามข้อก็แล้วกันค่ะ<อ>คำถามจาก a c e b o o k ค่ะจากคุณแม่บ้านสวนลูกมีลูกเป็นพระท่านบวชมานานแล้วแต่ท่านไม่ปกติต้องฉันยาแล้วท่านก็อยากสึกแต่ลูกไม่อยากให้ท่านสึกขอคําแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เราไปบวชแทนท่านเลยท่านรับไหมฮะจากคุณเนมิตกะทายนานโยมผู้หญิงบวชปฏิบัติแบบไม่โกนผมถ้าอยู่ปฏิบัตินานควรต้องไปอยู่สำนักแม่ชีหรืออยู่วัดสายปฏิบัติที่อนุญาตให้โยมผู้หญิงบวชปฏิบัติด้วยอันไหนเหมาะสมและส่งเสริมความก้าวหน้าการปฏิบัติภาวนาเจ้าคะเอวันที่ส่งเสริมการปฏิบัตินี่ ถ้าไปอยู่วัดที่มีแต่การปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าในธรรมถ้าเราไปอยู่วัดที่ไม่ค่อยมีการปฏิบัติมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าจากคุณทัญญาทัญญาค่ะถ้าเวลาพุโทโธดูลมหายใจบางทีมันยาวลงไปท้องได้ไหมคะเพราะเคยฝึกยุบหน่ยุบหนอพองหน่อมาก่อนพอมาฝึกพุโทโธเลยยังติดแบบเก่า ทีนี้เคยอ่านว่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะไม่ก้าวหน้าขอเมตตาขอคาแนะนำด้วยค่ะเราก็ใช้อันไหนที่เราถนัดก็ได้ถ้าเราถนัดยุบหนาพองหนอก็ใช้ยุบหนาพองเนอไปไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นพุทโธก็ได้จากคุณเดชค่ะถ้ากระผมต้องการจะบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมและปฏิบัติตลอดชีวิตแต่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว แบบนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่เลี้ยงดูปรนิบัติพ่อแม่ยามท่านแก่เท่าจะถือเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองหรือไม่ครับการไปบวชนี้ไม่ได้เป็นการไปสร้างบาปเป็นการไปสร้างบุญและขนาที่บวชนี้เราก็ยังสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงอนุญาตให้เราเอาอาหารที่เราไดจากการบินบาสนี้มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ก่อน ตามปกตินี้อาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อนแต่ถ้ามีกรณีที่เราจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นี้ท่านอนุญาตให้เราเอาอาหารที่เราได้จากบิณฑบาตนี้แบ่งไปให้พ่อแม่ก่อนได้ดังั้นไม่ต้องกังวลแล้วถ้าเราเป็นพระจริงๆจะมีคนยินดีที่มาทําหน้าที่แทนเราถ้าถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่เราแล้วเราไม่สามารถดูแลได้เช่น ส่งเสียให้ท่านรักษาพยาบาลก็จะมีศรัทธาญาติโยมที่จะถ้าทราบเขาก็จะยินดีที่จะมาช่วยเหลือเองไม่ต้องกังวลครูบาอาจารย์นี่ท่านบวชแล้วท่านกลับได้ช่วยพ่อแม่ได้ดีกว่าตอนที่ไม่ได้บวชอีกเพราะตอนถ้าไม่ได้บวชก็ช่วยได้เพียงทางร่างกายแต่พอได้บวชแล้วจะช่วยได้ทางด้านจิตใจด้วยจะสามารถยกระดับจิตใจของท่าน ให้ขึ้นสูงขึ้นได้จากมนุษย์ไปเป็นเทเเป็นพรหมได้แล้วเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ถ้าเป็นไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะยกระดับจิตของพ่อแม่ได้ดังั้นการมาบวชนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการไม่ได้บวชต่อพ่อแม่เสียได้ซ้ําไปดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าบวชแล้วท่านจึงทําให้แม่ของท่านเป็นพระโสดาบันได้แม่เลี้ยงเป็นพระาอารหันต์ได้ลูกเป็นพระาอารหันต์ได้พ่อเป็นพระาอารหันต์ได้แต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นมหาจาักรพรรดินี้ก็จะไม่ได้ทําให้ใครได้เป็นพระอารหันต์เป็นพระโสดาบันกันเลยคําถามจากคุณดาวีตันเวียงค่ะการรักษาศีลห้าต้องรักษาทางใจด้วยไหมครับก็ศีลห้ามันก็ออกมาจากใจนั่นแหละ ความจริงหลวงตาหลวงปู่มั่นท่านก็พูดว่ารักษาข้อเดียวก็พอคือรักษาใจถ้าใจสงบใจเป็นปกติแล้วก็จะไม่มีวันที่จะทําทบาปทำกรรมกับใครเหตุที่ทําให้ทําบาปทํากรรมเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างถ้าเราควบคุมใจควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะไม่ทําบาปไม่ว่าจะมีศีลกี่ข้อก็ตามเราก็จะไม่ละเมิดอย่างแน่นอนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีม้ไหม